ถ้าถูกบีบให้พูดแต่เรื่องร้ายจงเลือกที่จะเงียบจนเจอใจที่ไม่ต้องการติดอาวุธห้ามหันใครเลยธรรมดาคนเราอยากมีเพื่อนแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องให้เหนื่อยแต่มีคนประเภทหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็เห็นโลกทั้งใบเป็นการแบ่งข้างเป็นสมรภูมิเอาไว้รบกันสแกนหน้าใครตัวใครแล้วเหมือนเห็นอยู่แค่สองพวกหนึ่งคือศัตรู สคือมิตรใครเข้าข้างศัตรูคือศัตรูแต่ใครเข้าข้างมิตรก็ยังไม่แน่ว่าจะนับเป็นมิตรหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่หลายองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแปลกๆกล่าวคือสืบสารความเคยชินในการใช้ชีวิตแบบแบ่งกกแบ่งเหล่าเด็กหน้าใหม่เข้ามาต้องถูกบีบให้เลือกข้างตั้งแต่วันแรกๆเพิ่มพักพวกเอาไว้จ้องทิ่มแทงกันกับฝ่ายตรงข้ามด้วยห อ, อกดาบในปาก หรือด้วยขวานแห่งอำนาจในมือที่น่าเศร้าใจคือการไม่เลือกข้างอัดหมายถึงการโดนทุกข้างทุกตีหรือถูกทิ้งให้อยู่หัวเดียวกระเทียมรีบได้หากเจอวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรให้ถือเป็นโชคลาภของชีวิตชนิดหนึ่งแต่หากเจอวัฒนธรรมองค์กรที่บังคับให้คิดเป็นศัตรูกันก็มีหนทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่บ้าง นั่นคือต้องตัดสินใจเด็ดขาดแต่ต้นว่าคุณจะไม่ทำตัวเป็นจิ้งจบเปลี่ยนสีไม่ใช่อยู่กับข้างไหนก็รวมนินทาว่าร้ายฝ่ายตรงข้ามไปกับเขาเพราะเมื่อทำอย่างนั้นวันหนึ่งทุกคนจะรู้และรู้สึกรังเกียจการเปลี่ยนสีได้ของคุณไปถ้าพูดถึงเรื่องดีไม่ได้ถูกบีบให้พูดแต่เรื่องร้ายจงเลือกที่จะเงียบเงียบกระทั่งหาใจจริงของตัวเองเจอ เจอใจที่ไม่ต้องการติดอาวุธห้ามหันใครเลยจริงๆใจแบบนั้นคือใจที่พร้อมจะเป็นมิตรถึงแม้ใครรวมหัวกันทิ้งให้โดดเดี่ยวก็จะไม่เงียบเหงาเพราะกระแสะความเป็นมิตรที่แท้นั้นจะคัดสานใครบางคนที่ยังสติดีมาเป็นเพื่อนอย่างแน่นอน